ความดับไปในทุกขณะของสังขารทั้งหลาย 2. อ, อัจจันตวิราโคความสิ้นไปอย่างยิ่งคือพระนิพพาน 3. ามคำว่าวิราคานุปัสนาการรู้เห็นความคลายกำหนัดคือวิปัสนาและมักที่เป็นไปด้วยการเห็นวิราคะทั้งสองนั้นคำว่าวิราคานุปัสนายะ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 ที่กล่าวไว้ในคมภีดีการนี้สอดคล้องกับคำอธิบายของนิโรธสับในคำว่านิโรโทนุปัสสีซึ่งกล่าวไว้ในคำพีอธิกถาเรื่องอานาปานกถาอันหนึ่งในคำพีวิสุทธิมักได้อธิบายข้อความจากคำพีปฏิสัมพิทามักว่านิโรเทติโน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 เมื่อมีรูปของธาตุลงนยะปัจจัยท้ายนามสัพ์และตั้งชื่อว่าการิตปัจจัยหรือลงอิปัจจัยด้วยสูตรในโมคลานะวายกรณปริเฉตที่ห้าสูตรที่ส2องว่าธาตุวัดเถนามัสมิลงอิในปัจจัยท้ายนามสัพ์ในอัฏถะของธาตุแม้ในอัตฐกถา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 ดับลงด้วยดังนั้นในที่หนึ่งและที่สองที่กล่าวไว้ในคำพีดีกาข้างต้นจึงสอดคล้องกับในที่สองและที่หนึ่งของคำพีอัตกถาที่นำมาแสดงไว้นั้นสรุปความว่านิโรธานุปัสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ปัจจคยานปัญญาเห็นประจักษ์วารูปนามในปัจจุบันดับไป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 อาจกล่าวได้ว่าวิราคานุปัสนาเป็นมุนจิตุกรมยะตายานอย่างอ่อนตารุณวิปัสนาเพราะคำภีมหาดิการ้างต้นระบุว่านิโรธานุปัสนาเป็นมุนจิตุกรมยะตายานอย่างแก่กล้าพลวะววิปัสนานอกจากนั้นการละราคาเป็นต้น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 รูปไม่ใช่ของเธอจงละรูปนั้นรูปที่เธอละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดราตรีนานคำว่าตังรูปนั้นเป็นเนื้อความโดยอ้อมเพราะรูปที่เป็นทุกขสัตว์ที่นับเข้าในปริญญา ย, ยธรรมคือธรรมที่ควรกำหนดรู้แต่ในที่นี้หมายถึงราคะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูป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 จนถึงปฏินิสคานุปัสนาปรากฏบริบูรณ์แล้ววิปัสนาสิบประการที่กล่าวต่อไปก็ปรากฏบริบูรณ์ไปด้วยดังกล่าวไว้ในคมภีอัตถกถาหลายแห่งว่าผู้เจริญวิปัสนาควรเจริญอนุวิปัสนาเจ็แม้ในคัมภีปฏิสัมพิทามากก็กล่าวถึงอนุปัสนาเจไว้หลายแห่งนอกจากนั้น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 การเจริญอนุปัสนาสามข้างต้นดังข้อความในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมักว่าที่จริงแล้วประเภทของอนุปัสนาที่จําแนกเป็นเจและ18ประการเป็นต้นย่อมนับเข้าในอนุปัสนาสามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นดังนั้นวิปัสนาที่บรรลุถึงความยิ่งยวด